3. ปรบภาชนิยกรรมเรื่องภิกษุชื่ออัศชิและปุณพัสสุกะสมัยนั้นภิกษุชื่ออัศชิและปุณพัสสุกะเป็นผู้อยู่ประจำในอาวาสเป็นภิกษุอลั ช, ชีเลวซามอยู่ในกีดาคีรีชนบท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 ทำมาลายเรียงก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทาบ้างจัดดอกไม้ช่อเองบ้างใช้ผู้อื่นจัดบ้างทาดอกไม้พุ่มเองบ้างใช้ผู้อื่นทาบ้างทำดอกไม้เซิรตเองบ้างใช้ผู้อื่นทาบ้างทำดอกไม้พวงเองบ้างใช้ผู้อื่นทาบ้างทำดอกไม้แผงประดับอกเองบ้าง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 นำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้เซรดนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พวงนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้แผงประดับอกเพื่อกุลสตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลกุมารีเพื่อสะพ้ยของตระกูลเพื่อธาตุหญิงในตระกูล